พระธรรมเทศนาแผ่นที่110ลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่13กันยายน2560มีชื่อเรื่องว่าเนนปราถนานอนวันนี้เป็นวันพิเศษนะวันนี้นะแล้วกเว็เป็นวันพระเป็นวันพระ แปดคำแรม8ปดข้ามเดือน10นั้นคณะสัตยาติโยมผู้ที่เคยสมาทานศินแปดาา 5, หรือสมาทานศินห้าหรือสัตยาติโยมลูกหลานที่ไม่เคยมาวัดก็ควรจะมีศินลณวันนี้นะพอมาถึงวัดแล้วก็ควรจะสมาทานศินสินห้าเป็นอย่างน้อยก็ไม่เห็นจะลําบากที่ตรงไหนเพียงแต่ว่าสํารวมกายวาจาของเราเท่านั้นเอง เราก็ควรจะกายวาจาใจกายวาจจของเราใจของเราน่าจะมีเบรกบ้างวันสักวันหนึ่งถึงจะไม่เบรกอยู่หมัดยังไนมีแต่เบรกตุดรูดไปก็ยังดีถ้ารถไม่มีเบรกจะเลยมีแต่คับเร่งอย่างเดียวไม่แต่คิดจ ะ, จะทําก็ทำไปเลยไม่มีเบรกอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ควรไม่ควรีินคือ break. เบรกถ้าเป็นรถก็คือเบรกรถ อันนี้ก็คือเป็นเบลกกายวาจาใจของพวกเราคือสิ่งที่ไม่ควรจะคิดไม่ควรจะทำไม่ควรจะพูดนะ่ น, นี่แหละคือเบลกนะเพราะนั้นพวกเราได้มาสู่วัดวาศาสนาอย่างวันนี้ควรควรจะสมาทานศีลอย่างน้อยก็มีศีลห้านะศรัทธาญาติโยมลูกหลานเอาตนนี้ไปทายกเป็นผู้นําสมาทานศีลครับก็พี่นอ้องอุบาสกปุสการะครับพอบแล้วนะครับ เอากราบพร้อมกันนะครับอิเมนาสักาเรนาทางพุทธังอาภิปูสัยามาสีเลนะสุขติงยันติสี่เลนะโภกสัมปทา ส, สี่เลนะ น, นผูติงยันติตัตมาสี่ลังวิโสธาเยาเอาตัวนี้ไปลูกหลานอยู่ในความสงบหลงตามีอะไรจะพูดอะไรให้ฟังวันนี้ก็ศรัท ธ, ธาญาโจมลูกหลาน มาร่วมสมทบกระถินขององค์หลวงตาที่จะทอดวันที่7ตุลา60นะออกพรรษาวันที่5นะลูกหลานนักนาราตญาติโยมนะวันที่5ที่6ที่7นะเป็นวันทอดกระถินที่วัดป่าบ้านตากระถินสามักีเพื่อร่วมหาทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตานะ เพราะนั้นภูใดมีศรัทธาจะจะร่วมสมทบตู้เดือนเนี่ยนาคำน้อยของเราโยมวัดโยมวาเก่าแก่ถวายมานเอาพร้อมกับลูกหลานนะตู้เดือนแม่ตู้เดือนพร้อมลูกหลานถวายสี่กองสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงตามหาบัวเป็นเงินหนึ่งเมินสองพันบาทอันนี้ก็พรมพิษ วันนีดาบริบูรณ์วงอำเภอสุวรรณครูหาอันนี้ก็หนึ่งกองไห้ได้บุญในหลายเลยคณะสถ า, า, า ญ, ญาติโยมลูกหลานลุงพ่อได้มาแล้วก็จะเก็บเข้าบัญชีเพื่อจะสร้างพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาต่อไปคงจะได้ใช้จะตุปปัจจัยพอสมควรอยู่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้หนักใจไม่ได้หนักใจคล้ายๆบอก เมือกเรากินข้าวนะถึงเวลาก็ต้องกินต้องทานนี่คงเหมือนกันนะเวลาช่วงเวลานี้เราเวลาช่วงทำบุญช่วงสร้างบุญสร้างกุศลทาหมดโอกาสปี2 3สปีแล้วก็หมดละจะว่าสร้างเจดีย์ลงตาไม่ได้เนะ น, นีเพราะมันเป็นโอกาสเพราะนั้นพวกเราอย่าได้พลาดโอกาสจะได้สร้างบุญกับลงตาถึงจะหมางเรน้อยกับควรจาก มีส่วนร่วมในการสร้างพระเจดีย์เมื่อพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาตั้งงานขึ้นมาเราก็ภาคภูมิใจลึกๆว่าข้าพเจ้านี่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาพร้อมกับลูกหลานเราไปกราบไปไหว้กับไหว้ด้วยควา ม, มภาคภูมิใจว่าเราได้เสียสละทุนทะครับได้สร้างพระเจดีย์นี่นแหละ มันเป็นผลสืบเนื่องไปนานเท่านานนะลูกหลานการศรัทธา ญ, ญาติโยมนะย่งพูดอวดลูกหลานไปอีกเหรนร่อนมาอีกเออสมัยปูญ่ญาติยายเป็นพ่อนะียังได้ร่วมสร้างพระเจดีย์หลวงตามหาบัวเนอะนี่แนหะเห็นไหมสูงแต่า ง, งามชูนแต่า ง, งานสวยงามคนหลังไหลเข้าไปกราบไปไหว้นะีนะ่พวกเราตระกูลของเราเนอะได้ร่วมการสร้างพระพิหารพระเจดีย์พยิพิธภัณฑ์ นั้นด้วยนะเราก็กล้าพูดกล้าแสดงให้กับลูกหลานพวกเราให้ได้ยินได้ฟังนี่แหละมันสืบทอดไปจนถึงลูกถึงหลานนะค่ะนะักสัตยายา จ, จมนะวันนี้เป็นวันพุทธที่13กันยายนพุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันแรม8ดข้าเดือน10แล้วก็หลวงพ่อประกาศ แต่ไม่ไม่พูดยาวนะแต่บางวันอาจจะอธิบายยาวแต่วันนี้วันนี้อธิบายสั้นกระถินวัดของเราวัดป่านาคำน้อยของเรา เ, เป็นวันที่15นะลุกลาน15ตุลากรงตรราบ้านตาดวันที่เของเราวันที่15ห่างกันไปหนึ่งวันพระจะมีการทอดกระถินกระถินปีนี้เป็นกระถินพระรัานเป็นกระถินพระองค์โสมนะ เหมือนกับปีก่อนนั่นปีก่อนพระ อ, องค์มาทอดกระถินที่วัดของเรามาเวลา15 0ห้นย์ศนย์ด็จมาถึงวัดเรา15 0ห้นยนยวันที่15าเป็นวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นขอแจ้งข่าวบอกกล่าวบอกต่อๆกันด้วยนั้ลูกหลานผู้ที่จะมาทานหลวงพ่อไม่พูดก็เหมือนหลวงพ่ออุอัต ไม่พูดไม่แจ้งข่าวถ้าหลวงพ่อพูดก็เหมือนหลวงพ่อประกาศให้คููคนประชาสัมพันธ์ให้คููคนมาวัดแต่ตามไม่จริงกันเป็นศรัทธาของลูกของหลานจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้มันอยู่ในหัวใจของลูกของหลานถ้ามีศรัทธาแล้วเออมาทาบุญปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวถ้าติดภาระทุลัก็ไม่ต้องมาแล้วขอให้ลูกหลานทุกคนนะให้ได้บุญได้กุศล ถึงจะมาหรือไม่มาก่อนนั่นถ้าจิตใจเป็นกุศลก็กลำลึกถึงน้อมลำลึกถึงแล้วก็ทำบุญเพื่อปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวแล้วก็วันนี้เป็นวันพระเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราถึงพวกเราจะพูดไปยังไงยังไงแต่หลวงพ่อก็ยังไม่ลืมความตายพูดอย่างนั้นได้นะ ยังไม่ลืมความตายทำไมหลวงพ่อจึงความตายเป็นความอับเฉา เ, าเหี่ยวแห้งแห้งเป็นควันระโถมทุกในจิตใจทำไมจึงได้นํามาพูดหลวงพ่อยึดแนวทางคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านบอกว่าให้ระลึกถึงความตายไปอยู่เสมอดูก่อนอาน o ์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งประมาณวันล ะ, ละร้อยครั้งพเจ้าค่ะ อาน o จังตั้งอยู่ในความประมาทถ้าระ ล, ลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าทุ ก, ล, ท ก, ทกลมหายใจออกนั่นแลเป็นผู้ไม่ประมาทอันนี้พวกเราได้เป็นอย่างนั้นไหม <c oughs> ขนาดหลวงพ่อจะมาพูดให้ฟังกขอยากจะปิดหูอีกต่างหากเพราะไม่อยากจะได้ยินแต่เอาเถอะนะพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนต้องฟังโอวาทพระพุทธเจ้าท่านต้องมีความหมาย ทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้ระลึกถึงความตายถึงขนาดนั้นเพราะว่าพวกเราเนี่ยถ้าว่าไม่ระลึกถึงความตายความรุ่มหลงมัวเมาในชีวิตของเราความกระตือรือล้นไปทางกิเลสราคะโทสะโมหะมันจะหนักไปทางนู้นถ้าระลึกถึงความตายไว้อยู่ในจิตในใจเป็นหลักไว้อยู่เมื่อจะทำอะไรลงไปเออ เราจะอยู่ไม่ได้นานนะไม่ถึงร้อยปีนะเราควรจะประกอบคุณงามความดีถึงจะทำสิ่งไหนลงไปก็ทำเถอะซึ่งจะสร้างฐานะอย่างไรหาเงินคำทรัพสมบัติมากมายขนาดไหนก็เถอะแต่ว่าทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างบุญสร้างกุศลเราไม่ควรจะปล่อยปะละเลยจนเกินไปนะควรจะมีทานมีศีลมีภาวนานะเรานะไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ในโลก วัตตะสงสารนานเท่านานเหตุไหมคนเฒ่าคนแก่ที่พวกเรารู้จักมักคุ้นกันมาไปไหนบ้างค่อยไปหลบปลีกไปทีละคนสองคนออหายเงียบไปหมดไปหมดไปล่นลงมาเรื่อยๆจนจะมาถึงตัวของเราแล้ว เ, เราจะตั้งอยู่ในความประมาทอยู่เถอะเล่เาท่านเหล่านั้นไปไหนละ่ะไปตามบาปตามกรรมตามบุญตามกุศลที่ท่านได้กระทําไวเา้เราละ่ะ ได้เตรียมบุญเตรียมกุศลได้สร้างบาปได้สร้างบุญกุศลเพียงพอหรือยังเป็นที่อุ่นใจหรือยังเสียงเหล่านี้น่ะคือท่านระลึกถึงมรณะแมวมรณงเมไว้อยู่เสมอนะอข้าจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเนอคณะทายาทาโจมพระเนนลูกหลานถ้าว่าพวกเราไม่ระลึกถึงคำนีเ้เลย วันไหนก็วันเก่าต่อไปก็ลืมหลงตัวเองคลายก่อสิ่งที่ไม่ควรทําก็ทําสิ่งที่ไม่ควรพูดก็พูดเพราะมันคิดออกมาไปทางอากุศลเป็นทางต่ำเสียมากกว่าเพราะนั้นขอให้พวกพระเนนลูกหรานศรัทธาญาติโยมลําลึกไว้อยู่เสมอยึดตามแนวแถวพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะั่นแหะดีที่สุดนะมรณงเมย์ภวิสติให้ระลึกถึงความตายของตนเอง แหมไว้อยู่เสมอพวกเราจะจะอยู่ด้วยความไม่ประมาทละเวียงระวังอันไหนที่มันไม่ดีเราจะไม่คิดไม่ทําไม่พูดในเรื่องนั้นๆถ้าหากว่าสิ่งไหนที่มันดีเราจะพยายามทําสิ่งคิดดีทดําดีพูดดีในเรื่องนั้น น, นันี่แหละถ้าว่าพวกเรานําลึกอยู่อย่างนี้ปฏิบัติตามำคําสอนของพุทธานแล้วพวกเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจากนั้นก็เรื่องทาน แล้วก็เสียสละ ต, ตามมีตามเกิดของเราระหว่างใส่ใจพูดไง่ายๆในการทำทานรักษาสินพวกเราก็ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเป็นภูมิศินแต่เรื่องภาวนา เ, นเหมือนกันก่อนหลับก่อนนอนเออวันนี้เรายังไม่ได้ประกอบคุณงามความดียังไม่ไนั่งภาวนาทาจิตใจทำจิตทำใจให้สงบเลยวันนี้ควรจะนั่งสัก5านาทีสิบนาที 20นาทีก็ได้พอไหวพระสวดพอไหวพระสวดมนต์ย่อยๆจบแล้วก็นั่งสมาธิดูจิตดูใจของตนเองหรือเราตื่นขึ้นมากลางคืนถ้านอนอิ่มแล้วเนะ่ยมันนอนไม่หลับก็ยังเป็นทุกข์ใจอีกต่างหากบางคนอยากบังคับให้มันหลับจะไปหลับอะไรตัวเองนอนมาตั้งแต่ไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินอนมาแต่ตัวเด็กๆ เวลาเป็นเด็กพ่อแม่อยากจะให้นอนร้องห h ร้องให้เวลาเป็นใหญ่ขึ้นมาอยากจะนอนเพราะอยากจะนอนพอไม่อยากพอมันไม่หลับก็ยังบังคับให้มันนอนอีก อ, อ, อย่าไปบังคับมันนะออพอนอนไม่หลับเออดีแล้วข้านอนไม่หลับข้าจะได้นั่งภาวนาจิตใจจะได้สดชื่นแจม่มใสแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธดูใจของตนเองนะ่น ถ้ามันหลับก็หลับไปถ้าไม่หลับก็พุดโธพุดโธพุดโธต่ออีกนี่แหละเ อ, อเราจะไปหาเป็นทุกข์เป็นร้อนบางคนนอนไม่หลับก็โหไปหากินอยูก่กินยาเป็นทุกข์กับการนอนไม่หลับของตนเองไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะหลวงพ่อนะหลวงพ่อนะี่ยไม่เคยกินยาเนละยยาให้นอนหลับตั้งแต่ระลึกมาเนี่ยนะหลวงพ่อมาอายุเจ็ดสิบกว่าปียังระลึกไม่ได้เลยว่าตัวเองได้กินยานอนหลับนะอืมเพราะฉะนั้นถึงมอนไม่นอนไม่หลับก็ จะไปทกทําไมฮ่เรานอนสมัยเป็นงูเหลือมนะ่ะเขาว่างูประเภทงูเป็นพญานาคเนี่ยนอนมากที่สุดนะเป็นงูเหลือมเลยนอนเป็นหลายเดือนนะพอหิวขึ้นมาจะค่อยไปหากินพอหากินเสร็จแล้วก็อิ่มท้องแล้วก็มานอนอีกเป็นหลายเดือนนะเขาว่างูเนะี่ยนอนมากที่สุดนะพวกเราก็คงจะเป็นนิสัยชอบนอนก็คงจะเป็นนิสยัยงูอย่างอย่างไง สัมมเนินในครั้งพระพุทธเจ้ากกกูซันโธมีพระสงฆ์อยู่ห้าร้อยมีสัมมเนิน้อยอยู่องค์เดียวทีนี้ก็เนนน้อยก็อยู่กับพระสงฆ์ใช่ไหมผ่านเด็กกับองคนั้นก็บอกเนนน้อยประเคนของเด่นน้อยกับลูกขึ้นไปไปประเคนของให้พระเอาเนนน้อยไปได้ยากให้น้อยสิทางได้จังกลมเด่นน้อยก็ไป แคว่านอนน้อยนี่ยไม่ไม่ได้พักไม่ได้พรดไม่ได้อยู่เลยเหมือนกันแออแต่นี้ก็พระสงฆ์ทั้งหลายถามว่านอนน้อยจะเอาอะไรปารธนาอะไรปฏิบัติครูบาอาจารย์พระสงฆ์ถึงขนาดนี้โอ้ทีอยังไงยก็ขอให้ได้พักได้พอดซะก่อนก่อนที่จะไปนิพพานก็ขอให้ได้นอนซะก่อนเถอะวะ <laughs> มนุษย์มนามันแปลกนะน่าจะปารธนาอาสวรรค์นิพพานปารธนาเอานอนหัวเราไป เออท่านนี้ก็พอจังนะก็ขอให้ได้ น, นอนก่อนก่อนจะไปที่ไห น, ม, นมันหิวโหยมันเหนื่อยเหลือเกินมันเออก็คงจะแบบพูดแบบประชดประชันเกินออกมาจากใจจริงอีกต่างหากเพรามันเหนื่อยใช่ไหมละ่ะอ้าวพอบอกพระใช้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยแต่ละองค์ะเอ่ผู้นี่สูดก็เลยตายพอตายไปแล้วเน่ยไปเกิดเป็นพญานาคเอยที่ไหนมันที่ปลอดภัยที่สุดน่ะ ไปอยู่เมืองนาคพอไปอยู่นอนหลับพอนอนหลับพระพุทธเจ้าตัดสรูโกณะคมโนได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณลอยลอยถาดถ้าพระองค์บอกว่าถ้าหากว่าเราจะได้ตัดสุรูเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขอให้ถาดทวนกระแสน้ํา Ừ, ท่านตั้งจิตอธิษฐา น, นจากนั้นเขเอาถาดลงไปในน้ำํำถาดไปนั้นก็นลอยขึ้นไปเหนือน้ําจริงๆทวนกระแสทำไว้จริงจะเป็นของอะไรก็ตามมันต้องไหลาตามน้ําใช่ไหมอันนี้ทวนกระแสขึ้นไปเลยจัดๆขึ้นไปเลยทวนกระแสน้ําพอแล้วกับมดจุมลงไปในน้ําอีกถาดไปนั้นนะอไปกับไปกับเป็นหนูนชัยหมอน นาคเนนตัวนั้นแหละนาคเนที่นอนหลับ ก, กักลักพระพุทธเจ้าตัดจรู้องหนึ่งเลยเนนาอ่ า, อานอนต่อเอกออกไปอตอนนี้ม่ได้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนเท่านีเทามาพระพุทธเจ้ากัดจะโป อ, อกีกตอนให้ท่านในตัดจรู้ท่านก็ลอยถาดทองอกีอททงกถาดนั้นก็นทวนกระแสขึ้นไปอกีกไปกักลั ก, กไปซ้อนอีกแผนแผนที่สองเหมือนกัน อพอมาถึงพระพุทธเจ้าของเราไปอีกออธิษฐานอีกถอยถาดทองคํำลอยล่องขึ้นไปอีกโอ้ทาไมพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสะดุ้เร็วนักเลอนยังไม่ตื่นเลยใครใครบ้างอยู่ที่นี่อยากจะปาธนานอนอย่างนั้นไหมเหรอแต่งานพระพุทธเจ้าสามสี่พระองค์เนี่ยสามพระองค์แล้วยังไม่ตื่นเลยเหมืนนกันเอยทาไมจะบวชอีกต่างหาอทําไมพระพุทธเจ้านี่ยตัดสรดุ้ บ่อยนักคนวันนี้แต่ตัวเองนอนอยังไม่ตื่นเหมือนกันแต่แต่นี่ยัยงพระศรีอานนะพระศรีอานตัดรั้วสมเดนน้อยองค์นั้นจะได้มาบวชในศาสนาของพระศรีอานพระศรีอริยเมตไตรท่านจะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลนี่แหละนอนถจะว่าไปแล้วนอนจะเกิดประโยชน์อะไรท่านได้สำเร็จตั้งแต่พระเจ้ากักกุกกสันโธก็บจบไปใช่ไมละ่ะ นี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอย่าไปเห็นแก่หลับแก่นอนนอนไม่มีประโยชน์อะไรหรอกให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลถ้าห่างนอนไม่หลับเราก็ไม่ต้องทุกข์กำมันอีกพุทโธพุทโธในจิตในใจลงมาเดินจงกลมอีกเพราะมันนอนไม่หลับมันเป็นไรไปเอออ่านอนไม่หลับข่าไม่ว่านะ่เอาเถอนะเนี่ยต่อไปสักวันหนึ่งพอไม่นอนจริงจริงมันก็ต้องง่วงนะจะทํำยังไงมันก็ต้องหลับอ่ ทำไม่หลับก็ไม่เป็นไรพุโทโธต่อยออแต่บางคนเป็นทุกข์เป็นร้อนกับการนอนไปเนี่ยออพอนั่งภาวนาเข้าไปเลยสับประโงกงก่วงโยกค้ายซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังต่างากต่างเงยอย่างนั้นพราะนอนหลับในการนั่งภาวนาเอออย่างนั้นก็มันออกไปอีกเลยนะี่ทุกข์กอีกเลยเนี่ว่ามันนอนหลับเกินไปนี่แหละมนุษย์มนามันต่างกันนะสัศรัทธาญาติโยมหลวงพอ่พอเนี่ยเกิดมาหลายปีหลวงพ่อได้ยินนะ แล้วพ่อได้สังเกตได้เห็นอีกต่างหากนะ อ, อ่มาเล่าให้ลูกให้หลานได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉนั้นไม่ต้องทุกข์แต่ถ้าว่ามันหลับจะจกจะหลับจริงๆนั่งพอนาก็เออเอาเอาเอาถอะหลับสักตื่นขึ้นมาเอาใหม่แต่ถ้าว่ามันไม่รู้ยังขี้เช่าอยู่เรื่อยๆต้อง บ, งบออังคับนะจ๊เนี่ยเฮ้ยเมื่อแก่จะไปนอนอะไรมากมายนักหนานอนจมนอนใจมานี่ในวัฏสงสารมานี่มานมนานพอแรงแล้วเอ้าลูกเดิน อ่มันจะให้มันหลับดูสิหลับในทางเดินจงกรมดูสิ้ามันเก่งจริงเลยเอา่าเราต้องเดินจงกรมเลยเนอเพราะว่าเอาชนะในการนอนหลับของเรานี่แหละวิธีการ เ, าเล่งความภาคความเพียรวิธีการภาวนาคนณะาศาทา ย, ยาทโยมลูกหลานนะที่พูดทั้งนี้ทางนั้นให้ฟังเป็นแนวความคิดนะแล้วก็นเนี่ยเราเจะยึดกรรมาฐานไหนที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าวให้ฟังพุโทโธนี่แหละเป็นหลักเพราะเป็นเรา เราเป็นลูกศิษยาณุศิษย์ของหลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนาสั่งสอนว่พุทธโทน่ท่านได้ผลมาแล้วท่านได้ผลมาแล้วท่านจึงมาแนะนำพวกเราแต่พวกเราเลืดพุทธโทน่ะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจากนั้นเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตใจรวมอพอสมควรแล้วก่อนอนำมาพิจารณาทางวิปัสสนาทางด้านปัญญา แยกแยะดูในร่างกายของเรามีอะไรบ้างามีกระโหลกมีน้มีกระดูกกี่ชิ้นมีหนังเนื้อเอ็นกระดูกมันมีกี่อย่างเหมือนกับพวกเราเนี่ยนะพวกเราไปซื้อรถม า, นะาพวกเร า, เ อ, าอยากจะลื้อรถ ด, ดูสิอยากจะรื้อรถดูสิเป็นยังไงรถมันเกานะ่เาแล้วก็คลายน็อตออก อันนึงเป็นสายพานอันนึงเป็นหม้อน้ำอันนึงเป็นอะไรอยู่ในรถนะมันจะจึงประกอบเป็นรถขึ้นมาได้ ม, มันก็นต้องมีหลายหลยอยา่างได้หลายชิ้นร่างกายของเราก็นะเนีอยู่ในร่างกายของเรามีหลายชิ้นเหมือนกันนะลูกหลานนะคณะทศทายญาติโยมนะ ม, มีตับมีปอดมีไตมีลำไส้มีอะไรต่อไม่อะไรอยู่ในร่างกายของเรา ไม่แพ้รถนะรถไม่แพ้ไม่แพ้เราเราไม่แพ้รถเลยในร่างกายของเรานี่แหละให้แยกแยะดูในอีกสักวันหนึ่งเออมันมันถึงจุดจุดจบเหมือนกันนะเหมือนกับรถนะรถก็ถึงจุดจบของมันเหมือนกันอีกสักวันหนึ่งมดมดสภาพนี่ก็เหมือนกันร่างกายของเราอีกสักวันนึงกับมดสภาพอีกเหมือนกันเออเมื่อเท่าแก่ชราขึ้นมาเนี่ยนอนอยู่กับที่ มิลืมตาเพื่อเผยยังไม่อยากจะลืมตายอีกต่างหากเพราะอะไรเพราะมันแก่แหแก่ได้ทำไงป่วยตายในที่สุดไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้นี่แหละให้ระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอและก็ประกอบคุณงามความดีจะตั้งอยู่ในความประมาทถ้าพวกเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนะลูกหลานนะันภาวนาไปแต่น้อยแต่นุ่มอย่างนี้ประกอบคุณงามงามความดีเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะ แต่เมื่อเท่าแก่ชรามาเรานึกย้อนหลังเออเราก็ไม่ได้ประมาทเอาเราเราเองก็ประกอบคุณงามความดีมาโดยสม่ำเสม อ, อ, อมาถึงปูนนี้แหละเออชาตินี้ก็คงได้บำเพ็ญมาเท่านี้ก็มั่งเอาเออถ้าไม่พ้นทุกขชาติหน้าะต่อไปออพวกเราก็นะ่พะพอออกจากชาตินี้เราก็เป็นเลือกเกิดได้จ้นะี่เพราะเรามีบุญมีบุญมีกุศลในจิตในใจของพวกเราเพราะนั้น บุญกุศลไม่ไปไหนมันอยู่ในใจของพวกเราทั้งหมดเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านน ะ, ะตั้งให้ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลคิดดีทำดีพูดดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนั่นแหละนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในตอนนี้นะ